ท่านประธานข้าายการสันนิษฐานานะคะทางสถานีวิทยุเอฟเอรอยหกวิทยุครอบครัวข่าวออดทางคลื่นของสทอร์นะคะแล้วก็ยังมีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติด้วยเป็นเวลาที่จะได้ไปกราบเรียนถามคำถามจากท่านอาจารย์ไพบูรณ์พิปุญโนวัดป่าดอนห้ยโศกอุดรธานีแล้วค่ะกราบน้อมสักการะท่คะเจนิญพรค่ะอุดรธานีวัดของท่านอยู่อำเภออะไรนะคะอำเภอหนองหาน ไปยากไหมคะจากตัวเมืองอุดรมา30นาที27 ก, กิโลปพอดีค่ะถ้าไปทางรถนี่ลงท่ารถล ง, ลงท่ารถใช่แล้วก็เรียกทุกๆก็ได้เรียกสำรองก็ได้หารถไม่ยากเกินไปนะคะไม่ยากไม่ยากดิฉันเคยไปโดยเครื่องบินคะ่ะก็หารถตู้รถแท็กซี่คะ่ะทถวๆนั้น ก, ก็ไปได้แล้วโชคดีไปเจอคนที่ก็จะไปด้วย ทางเดียวกันเขาก็เลยเมตตาพาไปส่งคนมีน้ำใจเยอะนะคะแล้วก็สามสิบ น, นาทีเท่านั้นเองไม่ไกลมากค่ะสำหรับคนกรุงเทพเนะี่ยเชื่นว่าถ้าชีวิตยิ่งไม่ค่อยเคยออกไปต่างจังหวัดบนเส้นทางระหว่างไปวัดนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศที่แปลกหูแปลกตาแล้วก็ได้เรียนรู้บ้านเมืองมากยิ่งขึ้นด้วย อ, อย่างนี้เรียกความเพลินหรือเปล่าคะดั้งการือถ้ามีสติอยู่ก็ไม่เพลินนะ อ๋อเหอคะพราะบางทีเห็นทุกนะทุยดีจังเลยเขียวก็ถ้ามีสติอยู่เราหมายใจก็ไม่เป็นไรนะค่ะสามารถชื่นชมความเขียวได้ได้ไดนะคะค่ะท่านอาจารย์คะวันนี้ทราบว่าท่านอยากจะให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องเหตุ ข, ของความทุกข์ใช่ในมนต์เท่าไหร่คะในสมัยพุทธกาลแล้วนะในสมัยนู้นเนี่ยเขาเขามีความเชื่อว่าความทุกข์เนี่ยคนเรามีความทุกข์เนี่ยคือคือถ้าพูดถึงเรื่องทุกข์เนี่ยใครๆเขาเขรู้กัน ตั้งแต่สมัยพุทธกาลและสมัยนี้เราก็ยังรู้กันอยู่โอ้ยความทุกข์มันไม่ดีะอะไรต่างนานา น, นะนะเราก็เจอความทุกข์อยู่หลายๆแบบนณปัจจุบันนี้เราก็เจอกันทีนี้พระเจ้าพูดถึงเหตุของความทุกข์แต่นะว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยคนสมัยก่อนเขาเชื่อว่าเป็นเพราะว่าเทพเจ้าบนสวรรค์เนี่ยบันดาลนะจะเป็นพระเจ้าก็ได้พระอิศวรก็ได้นะหรือว่าใครสักคนใดคนหนึ่งที่มีอิทธิ์ที่มีมีฤทธิอ์นะอยู่บนโน่นสวรรค์เลยไม่ขึ้นไปไม่เคยเห็นตัวตนหรอกแต่ว่าคิดว่าพวกเนี้ย เป็นพวกที่บรันรดาลความสุขหรือความทุกข์ให้เราคนะคือเหตุของความสุขหรือความทุกข์มาจากภายนอกแบบนั้นแต่พระเจ้าบอกเราบอกว่าเหตุของความาทุกข์เนี่ยมาจากภายในคือตัณหาอุ้ยี่มันคนละเรื่องกันเลยนะคนละเรื่องคือแวกแนวกันไปเลยที่ตรงกันข้ามเลยแตคนอื่นทั่วไปคิดว่าเหตุของความสุขความทุกข์มาจากข้างนอกพระเจ้าบอกว่าเหตุ ข, ของความทุกข์มาจากข้างในนั่นคือตัณหาเพราะฉะนั้นในคําสอนต่างๆเหล่านั้นที่ พูดถึงว่าเหตุของความทุกข์มาจากข้างนอกเนี่ยคือพระเจ้าบรรดาล น, นะหรือพรหมบรรดาลอีศวรบรรดาลพวกนี้เขาก็จะวิธีแก้ความทุกข์เขาทํำยังไงแต่วิธีแก้ความทุกข์เขาก็คือว่าทําได้อยู่ระบบเดียวนะก็คือทําให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเทพระเจ้าก็ตามอิศวรก็ตามหรือว่าพรหมก็าตามเนี่ยพอใจเรานะพอใจเราแล้วทาําไงเขาก็จะรับเราไปอยู่ด้วยแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะบสบายใจละทีนี้ถามว่าไอการที่ทําอย่างนั้นเนี่ย ก็ต้องเช่นบางคนก็ทรมานตัวเองบางคนก็เอาของต่างๆมานําเสนอให้บางคนก็จะต้องมีการแต่งบูชาด้วยอามิตอะไรต่างๆที่จะทําให้เทพเจ้าพระเจ้ า, รจาหรือว่าอีสวนพรหมพวกนี้พอใจนันคือเป็นการทําให้คนอื่นพอใจในขณะที่กระบวนการของคําสองพระเจาเนี่ยก็คือว่างั้นเรามาแก้ข้างไหนนะแก้ทํำยังไงให้ใจของเราเนี่ยเป็นปราศจากตัณหาได้ พูดถึงเรื่องวิธีการทําให้พ้นทุกข์แต่วิธีการทําให้พ้นทุกข์ของศาสนาเหล่านั้นนั้นเนี่ยก็คือต้องพยายามที่จะอ้อนวอนหรือว่าบําเพ็ญตนทําให้พระผู้เป็นใหญ่เนี่ยทรงโปรดแล้วก็เพิกถอนการลงทันคือไปไปอยู่กับพระเจ้าด้วยกันนี่คือลักษณะของการที่อ้อนวอนและอ้อนวอนร้องขอบูชาะอะไรต่างลักษณะนั้นแต่แต่ว่าในคําสอนพระเจ้าเนี่ยก็คือพยายามที่จะละตัณหานะเมื่อละตัณหาได้ก็สิ้นทุกข์มันนั้นจะมีความแตกต่างกันตรงนี้อยู่ แล้วก็จุดถึงความที่จะละตนาได้เนี่ยลักษณะความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยในค 2, ําสอนพรุทธเจ้าก็คือว่ า, าไม่ให้มีความอยากเลยอยากใดๆไม่มีแต่แต่ว่าคําสอนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอยากให้ผู้เป็นใหญ่อยากให้พระผู้เป็นใหญ่พระผู้เป็นเจ้าเพราะมีส่วนพวกนี้นะทรงโปรดคือยังมีความอยากอยู่นะความแตกต่าที่2ก็คือว่าคําสอนพพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อละความยึดถือทั้งสิน้น เนะี่ยคือเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่มีความยึดใช่ไหมค่นะเพราะฉะนั้นไอ้ไอความยึดตรงที่ไม่มีเนี่ยแต่ว่าคําสอนของลทัทธิอื่นๆที่มีอยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังก่อนที่จะมีพระพุทามาตรัสรู้เนี่ยนะเขาก็ยังยึดมั่นในพระผู้เป็นใหญ่นั้นยังมีความยึดมั่นอยู่และแลคําสอนพระพุทธาเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องในภพชาตินะพยายามที่จะละการเกิดให้ได้นะเพระเาะว่าการเกิดเป็นหนึ่งของความทุกข์ทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่าในสมัยนั้นเขาเชื่อว่าเราจะต้องไปเกิด นะยังมีความยึดถือยังคล้องอยู่ในการเกิดอยู่นะคือเกิดในสวรรค์ว่าอย่างนั้นแล้วก็ยังเสวยเวทนาที่เป็นสุขอยู่ในสวรรคนะ์แต่ว่าคําสอนของพระเจ้าคือพ้นจากโลกยีสุขทั้งสิ้นเลยแล้วก็ที่น่าสนใจหนึ่งก็คือว่าคําสอนของผู้เชี่ยของเราเนี่ยไม่ต้องมีใครมารับรองไม่ต้องมีใครมาค้าประกันการพ้นทุกนะคือเมื่อไร่กิเลสคุณหมดตัณหาคุณหมดในกิเลสอยู่ใกล้ๆตัณหาหมดเนี่ยก็ชื่อว่าพ้นทุกได้เอง ไม่ต้องมีใครมารับรองและคนที่ถึงความพ้นทุกตรงนั้นเนี่ยรู้ได้เฉพาะตนด้วยอันนี้น่าสนใจมากรู้ได้เฉพาะตนในขณะที่คําสอนอื่นๆเนี่ยที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็ยังต้องให้คนอื่นเนี่ยมารับรองคือให้พระผู้ใหญ่ๆเนะี่ยมารับให้ไปอยู่ใกล้พระองค์ช่วนิรันดร์อย่างนี้อันนี้ที่ประเด็นที่อธิมาต้องการพูดอย่างนี้ก็คือว่าเป็นลักษณะของคําสอนพระเจ้า ท, ที่ย้อนเข้ามาหาตัวเองนะืรู้ได้เฉพาะตน แล้วก็เป็นวิทยาการใหม่ที่อรมาคิดว่าในสมัยนั้นเน่ยเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้ก่นกอนะทุกอย่างอยู่ที่ข้างนอกหมดทุกอย่างอยู่ที่ข้างนอกหมดต้องให้พระชาโปรดปรานจึงเป็นลักษณะงี้และจึงมีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในสมัยนั้น น, นน ะ, ะสมัยปัจจุบันนี้ก็ยังมีด้วยซ้ำภาษาสมัยใหม่นี่ต้องเรียกว่าเป็นอะไรคะ o u t s i in ค, คือพึ่งจากข้างนอกมาข้างในคะ่ะ ภาสมัใหม่นี้เขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะแล้วก็อย่าไปเปรียบเลยค่ะเอาคาพระพุทธเจ้าเดียวค่ะแต่เ<อ>พราะให้แก่ข้างนอกถ้าเป็นลทัทธิอื่นใช่แต่เพราะนั้นในคําสอนของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยไม่ได้ให้ยึดถือแม้กระทั่งตัวพระองค์ไม่ให้ยึดถือแม้กระทั่งธรรมะนซึ่งเปเรียบด้วยพวงแพ่อุ้ยอะไรมันจะบริสุทธิ์ขนาดนี้นี่ก็จะหมาย<อ>ความสอนของพระเจ้าบริสุทธิ์บริบรูรณ์สิ้นเชิงงั้น สำหรับคนที่บอกว่า ย, ยึดคำสอนของพุทธเจ้าไว้ที่พึ่งบทเป็นชนะผิดต้องพูดยังไงถึงจะถูกะคะท่านให้ให้ยึดเนี่ยไม่ได้นะยึดเนี่ยก็คือการที่เรายึดถือเป็นตัวตนนะแต่ว่าให้ใช้เป็นที่พึ่งคือถ้าเราดูคําบาลีเนี่ยมันจะตรงกันข้ามเหมือนซิคือคนละคนละอนกันเลยนะคือบาลีเนี่ยยึดถือนี่คืออุปท า, านใช่ไหมอ่าเอาเป็นที่พึ่งนี่คือสาระ สันนันกับอุปทานนี่เป็นสะกดคนละอย่างคนละเสียงไม่เหมือนกันด้วยซ้ําแต่พอมาแปลเป็นภาษาไทยยึดถืออุปทานใช่ไหมถือเป็นที่พึ่งมันก็มีคําว่าถือแล้วมันก็จะงงๆกัน่ ะ, ะอารตมาก็เลยจะเลี่ยงใช้คําว่าถือเป็นที่พึ่งถือเอาเป็นที่พึ่งคือสารณะก็เลยเปล่ยนว่าใช้เป็นที่พึ่งแล้วกันนะส่วนคำอุปทานยึดถือก็ใช้ยึดถือไปท่านอยาคิดว่าการเปลี่ยนไถ่คาแบบนี้ไม่สําคัญสําคัญไหมคะเนี่ยที่จะเปลี่ยนคําว่ายึดมาเป็นใช้อะค่ะ มันมันจะทําให้เราชัดเจนมากขึ้นนะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราใช้บทเพียนชนะสับสนเนี่ยอย่างสมมติคําว่ายึดถือเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเราเอามาเป็นของตัวเราเองอย่างสมมติเสาเนี่ยเพราะพุทธประธรรมประสงค์เนี่ยเป็นเหมือนเสาหลักที่ที่คุ้มคุ้มครองโลกอยู่เนี่ยนะเป็นต้นนะอย่างเสาบ้านเราอย่างเงี้ยถ้าเราบอกเออเสามาเป็นของฉันเราก็ไปดึงเสาออกมาจากบ้านโอ้บ้านพังนะ แต่ถ้าเราใช้เป็นที่พึ่งเสามันอยู่องนั้นใช่ไหมเรามีปัญหาเราเมื่อเราไปพึ่งเขาเรามีเหน็ดเหนื่อยเราเมื่อหลังเราก็ไปพึ่งเสาอย่างนี้มันจะ<ค>นเป็น <ละ S 2> ความทัตจนะเลยที่จะแสดงให้เห็นชัดๆว่าไม่ให้มีคําว่ายึดอ่อันเนี้ยตรัสไว้อย่างใดนะเ อ, อมีอยู่หรือไม่หนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ค่ะอาตมาก็นึกว่าเอ้ทั้งนั้นเราไปยึดถือเพื่อทำประสงค์ได้ไหม อไปดูคําตอบของผู้เช่าผู้เช่าบอกว่าไม่มีเลยแม้สิ่งหนึ่งที่เมื่อเธอยึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้อ๋อแล้วผู้เช่ายึดถือไม่ได้เหรอ<ม>นี่นี่เป็นตอนนั้นเราจมะมานอนคิดเองนะทําไมเรายึดถือผู้เช่าไม่ได้อะทําไมผู้เช้าพูดอย่างนี้นะก็ไปดูบทเพญชนะอ๋อมันอุปท า, านนี่ว่ะอ๋อที่ผู้เช่าบอกให้เป็นสารณะนี่นะ่ะมันคนละอันกันอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นการใช้บทเพีชนะให้ถูกมันก็จะจะดีมากนะ ค่ะดิฉันเข้าใจว่าสําคัญมากคือเหมือนกับว่าเราก็จะได้ไม่ต้องไปเข้าใจผิดอีกต่อไปอืมว่าพระพุทธ อ, องค์เนี่ยสอนอะไรกันแน่ไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมลืมนานๆไปก็อ้าวก็ให้ยึดไงอืมแต่มันสําคัญมากนะคะคําเนี้ยถ้าฟังจากท่านเนี่ยเพราะถ้าถ้ายึดไว้นี่จบเลยผิดแนวทางเลยผิดเลยผิดเลยแต่คุณจะเป็นทุกทันตีจะทุกเช่นอะไรบ้างสมมุติคนเขาไม่ปฏิบัติตามคําสอนเขาไม่ปฏิรามศีลโอ้าศาสนาเสื่อมแล้ว เฮ้ยไม่ใช่นะสมมุติคนไม่ปฏิบัติตามสีไม่ปฏิบัติตามอะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มจีดทันทีค่ะเพราะเราเรายึดถือเป็นของเราไงใครมาทําผิดไม่ได้เลยนะจะจีดนี่ น, นี่นี่มันเริ่มเป็นปนัญหานะคะเพราะว่าภาษาไทยกับภาษาบาลีมันคนละทางด้วยออืออในขณะที่ถ้าเราเอาใช้เป็นที่พึ่งใช้เป็นที่พึ่งใครจะใช้ไม่ใช้ก็ไม่ไมเป็นไรแต่ฉันใช้ก็แล้วกันค่ะมันก็จะไม่มีปัญหากับใครหลกค่ะอืม นอกเหนือจากเรื่องยึดแล้วเกี่ยวกับเหตุของทุกข์นี่มีอะไรเพิ่มเติมอีกคะที่น่าสนใจก็คือว่าทางให้ถึงการทําให้ตัณหามันสิ้นไปแลคือตัณหาเนี่ยมันเหนียวมันยืดมันติดมันเหนืดนะเหมือนเหมือนกับพระเจ้าเคยเปรียบลิงที่ติดติดายากาวเหนียวอะนะพ อ, อามือขวาเข้าไปติดปุ๊บเอา้าจะเอามือซ้ายเข้าไปช่วยดึงดึงปุ๊บมือซ้ายติดด้วยเอา้าทำไงง่ายเอาขาขวาเข้าไปช่วยที่จะให้ไอีสองขานี้ไอสอมือนี้ออกมา เอาขา ข, าขาวาก็ติดด้วยนะเอาทำไงดีติด3าขาแล้วเอาขาซ้ายเข้าไปช่วยด้วยขาซ้ายก็ติดอีกทายังไงดีเอาปากเข้าไปช่วยปากก็ติดอีกโอ<ฮ>้ โ, <ฮ>โดนหมดเลยค่ะนี่คือลักษณะของตันหาเพราะนั้นถ้าเราจะไปแก้ตันหาเนี่ยแก้ตันหาตรงที่ตันหาเองเนี่ยนะมันจะพลาดเพราะนั้นพ<ฮ>ระเจ้าจึงออกแบบวิธีที่ทําให้ตันหาสิ้นไปโดยไม่ต้องมีตันหะค่ะอ่าก็คือการที่เดินตามมรดนิ่นง วิธีปฏิบัติในการที่ทําให้ศาสนาสิ้นได้คือเดินตามมรคนั่นเองเพราะฉะนั้นการเดินตามมร์มีอะไรบ้างนะเป็นวิถีชีวิตของเรานะพูดมร์มรเดี๋ยวก็จะจะคิดว่าเป็นสัพติยากก็คือมีวิถีวิถีชีวิตในในแนวทางธรรมะนะวิถีชีวิตของเรานะไม่ใช่แค่ว่าตอนคุณมาวัดนั่งสมาธินะหรือว่าตอนเฉพาะคุณที่ใส่บาทนะแต่วิถีชีวิตทั้งวันของเรา24ชั่วโมงอ่ะคุณคุณมีอยู่ในวิถีชีวิตที่เป็นธรรมะเนี่ยเท่าไหร่อยู่ใน หนทางไปสู่ความดับทุกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนค่ะออซึ่งประเด็นก็คือว่าเราจะปฏิบัติเป็นรูปแบบก็ได้นะหรือจะปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอในแต่ละวันก็ได้หรือว่าจะไปที่ทํางานคุณก็อยู่ตามมักแปดนี้ก็ได้นะค่ะก็แต่ฉันชอบคําว่าตันหาเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงเหนียวเหนียวอะคะ่ะคิดถึงเต็งตังเมย์ค่ะท่านคะ <laughs> อืมเป็นของเป็นของเหนียวนะมีลักษณะแผ่ซ่านเป็นเครือข่ายแล้วก็ผูกไว้หย่อนหย่อนแต่แก้ได้ยากอืมผูกเป็นเครือข่ายผูกไว้หย่อนหย่อนแต่แก้ได้ยากใช่เหมือนแหเหมือนอะไรพวกนี้ไหมคะไปติดปุ๊บแล้วมันแกะออกยากอืมหย่อนหย่อนด้วยหย่อนหยนนี่หมายความว่ายังมีช่องให้เราไปได้บ้างนะเราก็ไปได้แค่อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ออกไปจากนี้ได้ เป็นประมาสุดยอดแล้วนะคะท่าองค์นั้นเนี่ยนี่ก็คือเหตุแห่งทุกข์แหะนะครับอย่ามีความอยากอย่ามีความยึดแต่ให้ใ ห, ให้ใช้เป็นที่พึ่งได้ใช้เป็นที่พึ่งนะครับพวกเราทุกคนก็เป็นสิทธิ์ตถาคตการที่จะเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นอม ตรงนี้นิดหนึ่งคุณยมติว๋วในก่อนที่จะจบรายการคำว่าเป็นที่พึ่งที่พึ่งเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจอีกน ะ, ะเอาเป็นที่พึ่งให้ละราคะโทสะโมหะนะพระเจ้าเคยพูดไว้อีกที่หนึ่งบอกว่าที่พึ่งเนี่ยแปลว่าอะไรนะสารณะเนี่ยแปลว่าอะไรนะสารณะก็คือหมายถึงการละราคะโทสะโมหะอันนี้สําคัญมากนะคะใช่ใช่แปลอีกที่หนึ่งเอา้าให้เข้าใจเต็มที่เลยเพราะ<ม>ว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคือถ้าคิดแบบภาษาไทยอืที่พึ่งเนี่ยคือแหมสบายเลย ไม่ต้องดูแลตัวเองไปใช้ใช้ธรรมะของพระพุทธองค์หรือไปหาพระศาสดาเพื่อให้เป็นที่พึ่งแล้วจบกันชีวิตปล่อยให้พระศาสดาเลยปล่อยให้ธรรมะดูแลเลยมไม่ใช่แล้วเป็นพึ่งเพื่อให้ละราคะโทสะโมหะถูกต้องอันนี้ใหม่สำหรับ <c oughs> ดัฉันมากเลยค่ะ อยู่ในจริงๆก็อยู่ในหนังสือที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำในรายการอยู่แล้วใ น, ในเล่มที่แจกกันอยู่ทุกๆวันนี้ก็มีอยู่ด้วยอ๋อค่ะนะแล้วมัมีอยู่ทุกเล่มใช่ะค ะ, ถ, ะถ้าเป็นพุทธวจะ น, ะนะก็คืออาศัยที่จะละราคาโทสะโมหะนั่นเองตรงนี้นก็ได้ประโยชน์เยอะอีกเรื่องหนึ่งทีเดียวนะคะสัปดาห์นี้เีฉันว่าเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ได้ประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจาวันตรงๆแล้วก็ทาให้รู้ งที่พระอาจารย์เพริปลบอกนะคะว่าคำว่ามาัดมันไม่ใช่ยากสูงส่งเกินจะทำได้แต่ว่าเป็นเรื่องของวิถีชีวิตหรือว่าชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นเองใช่ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ท่านจะได้ทำแบบฝึกฝึกหัดในพวกเวลาที่เหลือยิ่งสองอาทิตย์นี้สบายมากขึ้นนะคะจะได้รู้สึกว่าอ่ะบทเรียนบทแรกไม่มีอะไรมาติดขัดมาก ตรงกัเสาร์อาทิตย์พอดีส่วนพระอาจารย์ไพบูลนี่ก็จะไปจัดรายการต่อทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพระมาร์กกับดิฉันเนี่ยจะพักสำหรับที่นี่ดิฉันก็ไปกิจหนึ่งท่านมาร์กก็จะไปดูแลพระอาจารย์ครือคริตในการสแสดงธรรมที่วัดนาปภงลำลูกกาคลองสิบ น, น, นะคะรายการของเราก็กราบนวัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลซึ่งกำลังเริ่มมีคอร์สปฏิบัติวันนี้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยสัปดาห์นี้แล้วและเดือนกรกฎาคมวันที่21ออ๋อขออภัยค่ะ อ่าสัปดาห์เดียวกันนี้แต่เป็นเดือนกรกฎาใช่อันนี้กราบมาส ก, การขอบพระคุณท่านคะเชิญน่านระหว่งางที่ครบค่ะแล้วรายการสัมมีนสนทนาแล้วก็ดําเนินมาถึงช่วงเวลาที่จะต้องร่ำลากันนะคะรายการนี้พยายามทําให้ท่านเห็นว่าธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านเนี่ยจะต้องหลีจากชีวิตประจําวันซะอย่างสิ้นเชิงในชีวิตประจําวันของท่านท่านก็สามารถมีพุทธวธจนะของพระาศาสดากํากับการดําเนินชีวิตนะคะ เพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นพ้นจากความทุกข์ดังเช่นที่ท่านพุทโธก็มาบอกเราแล้วนะคะว่าเหตุแห่งทุกข์นั้นเป็นอย่างไรจะพ้นได้พ้นอย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ได้มีให้ยึดนะคะธรรมะของพระองค์มีไว้ให้พึ่งและไม่ใช่พึ่งเพื่อที่จะไม่พึ่งตัวเองแต่เราจะต้องพึ่งธรรมะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นนะคะได้ไปปฏิบัติให้ละราคะโทสะและโมหะได้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ วันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ